วันนี้เป็นวันที่ย2สบพฤษภาคมพุทธศักราช2558สบวันนี้เมื่อฉันจังหารเสร็จแล้วพวกเราจะมีการบวชพระบวชนาคนะบวชนาคสามองค์ญาติพี่น้องก็พร้อมแล้วเมื่อฉันจังหารเสร็จพระอุปชาพระอาจารย์ชาลีภูก้อนก็คงจะลงมา แล้วก็คงจะบวชพระในเมื่อบวชพระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะได้เดินทางลงกรุงเทพแะคณะทาย า, าิโยมลูกหลานเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้ลงไปนานแล้วแล้วก็กิจนิมนตหลายกิจนิมนต์ทีเดียวแต่ก็คงลงไม่นานล้ะประมาณสักสามสี่วัน ก็คงจะกลับขึ้นมาหลวงพ่อนานๆจะได้ลงกรุงเทพทีหนึ่งเมือเอม่อเดือนเมื่อเดือนเมษาก็ลงช่วงวันที่สี่ถึงวันที่แปดมั้งที่สี่ที่ห้าที่หกนะลงไปครั้งหนึ่งเมษาแต่พฤษภานะ่ยยังไม่ได้ลงก็ว่าคงจะลงนี่แหละวันนี้แหละคงไม่กี่วันก็คงจะกลับมา ถึงอย่างไรพระอยู่ในวัดของเราชุมชนอยู่ในกลุ่มในวัดของเราก็ให้หลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่จับไฟร้อนไหมถ้าจับไฟร้อนก็แสดงว่าหลวงพ่ออยู่ก็ทำความดีได้เหมือนเดิมหลวงพ่อไม่อยู่ก็ทำความดีได้เหมือนเดิม เพราะนั้นอย่ามีที่รับอย่ามีที่แจ้งให้ชื่อสัตว์ต่อตนเองให้มีความรักเคารพในหลักพระธรรมวินัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้าหลวงพ่อเคยย้ำเคยเตืนเอนพวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่เขามาอยู่ศึกษาหลวงพ่อไม่ได้สอนให้คึกให้ขนอง มาแห่ออกนอกลูนอกทางให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้ซื่อสัตว์สุดจริตต่อพระธรรมคําสอนให้เป็นศักยบุตรที่แท้จริงของพระพุทธเจา้าเป็นลูกศิษย์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลวงพ่อฮะต้องเป็นผู้ที่ลูกศิษย์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจทุกองค์ ให้ทาคุณงามความดีมิใช่ว่าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วลนะ่ยต่อหน้าเป็นมะพับรับหลังเป็นตะโกแมวไม่อยู่หนูขนองอย่าได้เป็นอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาให้ซื่อสัตว์ชื่อตรงต่อตนเองหลวงพ่อสอนหมดอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรไม่ควรอันไหนสูงอันไหนต่ำเหมาะสมไม่เหมาะสม หลวงพ่อไม่ได้สอนใส่ข้าวต้มขนมอีกต่างหากสอนใส่หลักธรรมในสอนใส่หลักเหตุผลสอนใส่หลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติตนอย่างไรคิดอย่างไรทำอย่างไรพูดอย่างไรจึงจะถูกต้องเป็นธรรมตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตามแนวแถวที่พระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่อ่ะอันนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานทุกลงเนอนาะสรุปแล้วหลวงพ่อจะได้ออกไปลงไปทำธุระแต่ทางนี้ทาง น, านั้นเหมือนกับหลวงพ่อสั่งเสียไปล้มไปตายอย่างนั้นทำบดีธรรมดาพ่อแม่จะออกจากบ้านก็ต้องสั่งเสียลูกเป็นธรรมดาลูกเอ้ยระวังเนอ ระวังฟืนระวังไฟเนะ้ออย่าทะเลาะกันเนะ้อในพี่น้องเนะ้อให้รักกันเนะ้อพี่ต้องดูน้องเนะ้อแล้วน้องๆ อ, อย่าดื้ อ, อย่าให้ฟังคำพี่ๆเนอะธรรมดาพ่อแม่ออกจากบ้านก็ต้องสั่งสอนลูกอันนี้ก็เหมือนก่นหนะลงพ่อก่อนที่จะออกจากบ้านหลวงพ่อก็เป็นห่วงอยู่ยังไงเป็นยังไงค <c oughs> ่าใช้จ่ายเป็นยังไงเจ็บไข้ใดป่วยเป็นยังไง ท้าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายในวัดพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างไรผู้ใหญ่ปฏิบัติอย่างไร ต, ติดต่อประสานอย่างไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อก็บอก <c oughs> ไวเป็นแนวทางไว้หมดสำหรับการเป็นอยู่อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันจะมีการบวช เมื่อบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระใหม่อนนะั <c> ้น <oughs> ให้พระรุ่นเก่าดูดูแนะนำาพอาดูโดยมากกับผู้ที่มาบวชก็เป็นผู้มีอายุมากแล้วล่ะแล้วก็เป็นผู้ตั้งใจในการจะสร้างคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็เคยบอกพระลูกหลานทุกองค์ที่เข้ามาอยู่วัดของหลวงพ่อ อย่าไปคิดว่าเราอยู่ห่างครูครูบาอาจารย์ไม่ได้รับการแนะนาสั่งสอนหลวงพ่อก็ไม่อยู่วัดหลวงพ่อก็ไม่ค่อยอยู่อย่าไปคิดอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยธรรมเทศนาของหลวงตาที่เราเปิดที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่วัดของเรา เ, เปิดเลยวิทยุกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้า เราเลือกกันไหนเราจะฟังเราก็นั่งขัดสมาธิปนมมือจากนั้นเราก็ฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังสักกันหนึ่งจากนั้นเราก็ค่อยออกจากสมาธิให้ฟังวันละหนึ่งกันอันนี้ก็คือการศึกษาพอหลวงพ่อเองเข้าไป ดูใกล้ครคูบาจารย์อย่างเขาเข้าไปใกล้องหลวงตาเข้าไปศึกษาหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าได้ฟังทุกวี่ทุกวันแต่เออใช่ได้เห็นตอนเช้ากิ จ, จวัตรข้อวัดธรรมยังไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอากับกิริยาขององค์หลวงตา <c oughs> ท่าน <c oughs> ท่านวางหมาดยังไงท่านแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องอย่างไร ท่านดูดาว่าก่าวพระเนนอย่างไรในขณะตอนเช้าเนี่ยลงตาไม่ได้เลือกสถานที่นะถ้าพอเห็นเก่งๆกลางๆลกปารงตานี่ยซัดเลยนะเออไม่ได้ไวหน้าใครทั้งหมดเออเพราะว่าพวก เ, าเราท่านทั้งหลายเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะเรียนรู้รแต่กล้วยงากล้วยหอมได้ยังไง h อ, อต้องเรียนรู้กระทั่งพริกเออที่มันเจ็บมันเค็ม ออทั้งหมดนะต้องเรียนรู้ทั้งหมดไออม่ใช่แบบเรียนแต่ลถของกล้วยเง้ากลวยหอมไม่ใช่นะ อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้ออแนวความคิดตัวนี้มันเผ็ดนะอย่าทํานะอย่าให้เห็นอีกนะออถ้าเห็นไล่ออกจากวัดนะไล่นี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาที่เราอยู่กับองค์หลวงตา แต่ถึงอย่างไรอพอสามสี่วัน6 7วันท่านก็เรียกประชุมอบรมแนะนําสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนาเนี่แหละการอบรมแนะนําสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนานี่แหละที่พวกเราท่านทั้งหลายอย่างจริงที่หลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปให้พวกเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็เปิด แทบของหลวงตาเปิดเบาๆให้เข้าใจไม่ต้องเปิดแรงเปิดแล้วก็นั่งสมาธิฟังพอฟังจบกันหนึ่งแล้วก็ปิดปิดวิทยุแล้วก็นั่งต่ออีกนี่แหละถ้าวันไหนเราใจของเราได้รับความสงบเออวันนี้รู้สึกว่าจิตใจของเรา <c oughs> สงบเยือกเย็น จิตใจพร้อมที่จะเข้าสมาธิได้เราก็ไม่ต้องฟังก็ได้วันนั้น <c oughs> เรานั่งสมาธิเลยแล้วก็พิจารณาไปเลยแต่วันไหนมันอพอนั่งเข้าไปแล้วมันขุนข้องหมองใจจิตใจกระโดดหน้ากระโดดหลังจิตใจปุงฟุง้ง เ, เราก็เปิดวิทยุของหลวงตาฟังเทศหลวงตานั่งคัดสมาธิสำรวมใจเลยฟัง อย่าให้มันคิดไปทางอื่นคิดไปได้อะไรมันมีประโยชน์อะไรเฮ้ใจใจคิดมาจนพอแรงแล้วเนี่ยมันได้อะไรถ้าได้ก็ทำไมจะเข้ามาบวชมาบวชทำไมถ้าอยู่ทางนอกมันไม่ดีกว่าเหรอถ้าคิดอย่างนี้นี่แหละคือเป็นการหักข้ามทางจิตใจของเราแต่เมื่อเราห้ามใจของเราใจของเราอยู่ในกรอบต่อไปก็ตีกรอบให้จิตใจผลี่สุดใจของเราก็เป็นผู้มีเหตุมีผล เรื่องอันไหนควรทำอันไหนควรคิดอันไหนควรทำอันไหนควรพูดมันจะอยู่ในกรอบของหลักเหตุผลนี่แหละต่อยู่ในกรอบเหตุผลนะถ้าอยู่นสถานที่ใดเป็นพระที่ดีทั้งหมดนะเป็นฆระวาสก็เป็นฆราวาสที่ดีเพราะอยู่ในกรอบไม่หลงไม่ลืมตัวเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เราควรทำตนอย่างไรในขณะนี้ มันดีพอพอแล้วอย่าง <c oughs> <c oughs> ในการกระทำของเราในขณะนี้สิ่งเหล่านี้ใครครับดูตัวเองอยู่เสมอถ้าพวกเรามองตนเองดูตนเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ลืมไม่หลงตัวไม่ลืมตัวคนที่ไม่ลืมตัวมองเจ้าของอยู่เสมออยู่นัสถานที่ใดดีนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานพระเน น้องนุ่งทั้งหลายทุกองนะนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจให้ภาวนาเรื่องภาวนาในหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้มากกว่าทกอย่างพูดอย่างนั้นได้เรื่องการเป็นอยู่ัเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นหลักแก้วเป็นลหลักฝอยท่านเองแต่เรื่องจิจตภาวนาคือแก่นคือแก่นของพุทธศาสนาอ พวกเราจะศึกษาเรื่องแก่นเราจะศึกษายัางไงต้องศึกษาตมตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินอย่างไรจากนั้นพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอย่างไรจากนั้นท่านแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรมันมีขั้นตอนทั้งหมดสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรมเพราะนั้นพระธรรมเลิศเอจะวันเลิศนะถ้าเราจะเรียงลำดับหลวงพ่อจะเรียงลำดับให้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสั้พระธรมะรมคล้ายๆว่าพุทธเจ้ายังเคารพธรรมพระธรรมเนี่ยเลิศกว่าพระธรรมคือหลักเหตุผลพระธรรมคือถูกความถูกต้องอพระธรรมนี่แปลว่าเยี่ยมสุด ไม่มีอันไหนที่จะยอดเยียบเหนือกว่าพระธรรมพระธรรมคื อ, อสิ่งที่เป็นคําสอนที่เป็นออกมาจากความถูกต้องพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระธรรมจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพ่จากนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ให้ธรรมะจากนั้นเราก็เคารพพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนอันนี้ก็คือเคารพเจ้ารบเรื่องเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเคารพวัยวุฒิคุณวุฒิเคารพผูมีอุปกรณคุณเคารพในประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่ให้การสนับสนุนให้ความเมตตา เคารพนับถือมันเป็นลำดับลำดับนะคณะสัาญาติโยมลูกหลานสรุปแล้วก็คือให้สูงต่ำ เ, ออเราอยู่ในสถานะอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นให้พวกเรามองมองมองถ้าพวกเรามองอย่างนี้แหลพวกเราจะวางตัวถูก อ, อ, อยู่กับพ่อแม่วางตัวอย่างไรอยู่กับครูบาอาจารย์วางตัวอย่างไรอยู่ในประเทศชาติบ้านบ้านเมืองวางตัวอย่างไร อยู่กับชุมชนสังคมประเทศชาติชาติไทยของเราพวกเราควรจะวางตัวอย่างไรถ้าพวกเราทำถูกกาละเทศการสถานที่บุคคลอยู่ณสถานที่ใดไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตัวของเราเราอยู่ณสถานที่ใดล่มเย็นเป็นสุขไปหมดนะ่ะแต่ถ้าเราทำไม่ถูกนะเดือดร้อนนะคณะสัตยาญาตโยมลูกลูกหลานนะเพราะนั้น ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทุกวีทุกวันแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละชั้นเชิงแต่ละแต่ละหลักเหตุผลหลวงพ่อจะพยายามบอกกล่าวให้ลูกหลานมองมองจุดนี้ดูซะมองจุดนั้นดูซมองเรื่องนั้นดูซอสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาคนที่มีปัญญาคนที่มีสติสติคือความยับยัง้งคือยั้งคิด และกันสปัญญาคขี่คลายตรวจตราวิเคราะห์ในเรื่องนั้นนั้นนี่แหละคนที่มีสติกับคนที่มีปัญญาเนียอยู่ในตัวของเราอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ร่มเย็นเป็นจุกเพราะว่ามีสติอยู่กับตัวเองและก็มีปัญญาอันไหนที่มันไม่ถูกต้องอันไหนที่มันไม่ไม่เหมาะสมอันไหนที่มันไม่ควรจะทําควรจะพูดควรจะคิด เราก็พยายามหักข้ามในจุดนั้นนี่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเวลาเรานั่งสมาธิอย่างนี้เราจะปรุงฟุ้งไปทำไมทามันปรุงฟุง้งคิดออกไปข้างนอกขนาดนั้นเราจะมาบวชทำไมเราอยู่เป็นฆรวาสนั่งคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจะไม่ดีกว่าเหรอนี่แหละหลวงพ่อมองเห็นนะพระบางแห่งบางวัดเล่นเกมมั่ง ดูหนังดูละครบ้างดูหนังฟังลาบ้างอยู่ในวัดเพราะทุกวันมันมีสื่อต่างๆมันเต็มไปหมดแต่หลวงพ่อบอกไว้เลยว่าพระในวัดของหลวงพ่อเนี่ยบอกมานะแต่เป็นใครก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้ามีลักษณะอย่างนั้นบอกมานะมาอยู่ทำไมมาอยู่ในป่าทำไมมาอยู่ในอดข้าวอดอาหารทำไมออกไปยุ่นคลาวาดออกไปนอกวัดอย่ามา อยู่แถวนี้นะหลวงพ่อจะบอกอย่า ง, งนั้นทันทีตรงนี้เป็นตรงฝึกหัดเรื่องจิตภาวนาหาทางพ้นทุกเท่านั้นเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นถ้ามุ่งหวังอย่างอื่นเรื่องลาบเรื่องยศอยากจะได้หน้าอยากจะได้ตาอยากจะได้ยศสื่อเสียงอยากจะให้คนรู้จักมักหน้าหลายตาออกไปข้างนอกไม่ควรจะมาอยู่ หน้าเอาไปทไําไหมหลวงพ่อบอกหน้าเอาไปทไําไหมอีกสักวันหนึ่งเขาจะเดืองเผาหน้าหลวงพ่อทิ้งเนี่ยเผาทําไมยังเผาทิ้งเอ้าเราตายเไงเห็นไหมหลวงตามหาบัวท่านมีหน้าขนาดไหนสมัยท่านยังอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไปยังไงเขาก็เผาเผาหน้าท่านหมดเหมือนกันหลวงพ่ออินจะเป็นจะเลิศกว่าใช่ไหมหลวงพ่อจะต้องถูกเผาหน้าอีกเหมือนกันเอาหน้าไปไว้ทําไมเอาบนะ เอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเอาคุ ณ, ณธรรมเข้าสู่จิตใจนะ่ะเลิศประเสริฐกว่าสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเลยทีที่หลวงพ่อพูดในหลายแงย่หลายมุมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาในวันนี้นะต่อนนี้งไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแล้วก็จตทายาโยมผู้ที่ไม่เคยมากรับทานอาหารตามมัธยาสายเนะจากนั้นก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลีบขึ้นมาแล้วก็คงจะบวชคงใช้เวลาไม่นานในเมื่อบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อจะได้เดินทางอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะสัตธา ญ, ญาติโฉมลูกหลานได้รับทราบนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร